พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าลาบอันประเสริฐ วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสงฆ์กับคณะสัทธาญาติโยมทางโรงพยาบาลเห็นพ้องต้องกันว่าโรงพยาบาลอำเภอสังคมของพวกเราจุติดฝั่งโหงอยู่ใกล้กับประเทศลาวเป็นประเทศที่เพื่อนบ้าน ต่อไปนี้ก็ในประชาคมอาเซียนของพวกเราก็จะเกิดขึ้นอำเภอสังคมของเราก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ใกล้กับฝั่งประเทศลาวบ้านพี่น้องของพวกเราเพราะนั้นสมควรที่จะมีอาคารขึ้นมา คณะสงฆ์กับคณะสัตยาธยาโยมก็าางกคงจะคิดอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะหลวงพ่อเห็นด้วยเรื่องโรงพยาบาลเรื่องโรงเรียนเพราะโรงพยาบาลทุกโรงเหมือนกับโรงรถเหมือนกับโรงโรงซ่อมรถรถถึงจะราคาแพงขนาดไหนมาจาก ต่างประเทศราคาแพงขนาดไหนแต่รถทุกคันก็จะต้องเข้าอูอ่พูดอย่างนั้นได้แต่เมื่อกี้นี่ลงพ่อมา ก, กันะรถลงพ่อกคันหนึ่งสตาร์ทไม่ติดนี่แหละเึงรถใหม่ๆมันก็สตาร์ทไม่ติดมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนี่ก็เหมือนกันนะ่ะพวกเราท่านทั้งหลาย มึงถึงจะมีอายุน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีผู้มีอายุมากก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทุกคนก็มีจุดจบนะขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมอย่าไปถ่ายรูปที่มีแฟดน้นะลูกหลานนะให้อยู่ในความสงบซะก่อนหลวงพ่อคงจะพูดไม่มากแต่ให้ฟังฟังดูที่หลวงพ่อนานที นานทีจะได้มาแสดงทำให้กับลูกหลานได้ฟังเพื่อฟังเพื่อการศึกษาแต่ลูกหลานไปวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อมิได้แจก MP3 ให้กับพวกลูกหลานนำมาฟังแต่บางคนก็อาจจะไม่ฟังเอามาเก็บเก็บไว้อย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็คิดว่าอีกสักวันหนึ่งถ้าว่าคนนั้นพูดว่าเอ้ยได้ฟังเทศหลวงพ่ออินไหมเออ ของโอ้ผมก็มีอยู่ต่อไปอาจจะฟังหลวงพ่อมั่นใจว่าเมื่อฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อหลวงพ่อมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจัทธาญาติโยมผู้ได้ยินได้ฟังเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ฟังธทมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังใจจิตใจของผู้ฟังได้อัดฟังทมได้ฟังหลักเหตุผลจิตใจของพวกเราก็จะได้รับความสงบความผ่องใสอันนี้ก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดตามยะปปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เปรียบเทียบการกรองไตตรองเรียกว่าจินตามยะปัญญาแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทมจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจสงบ เ, ออเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนั้นบอกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาคณนะนาร า, า, าตถายาตโยมลูกลานคือท่านให้นั่งภาวนาจิตใจให้สงบซะก่อนจากนั้นยังค่อยนำมาพิจารณ า, าออกทางปัญญา ก็เป็นปัญญาที่แท้จริงและตัดสินใจได้เด็ดขาดเพราะว่าภาวนามยะปัญญาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าลูกหลานไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉลียวฉลาดขึ้นมานั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งพวกเราก็จะได้ยินได้ฟังไม่เหลียมใดก็เรื่องหนึ่งในหลักธรรมคาสอน พอหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีมากตั้งแปด0มืนสี่พันพระธรร ม, มะขันธ์แต่หลวงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านขึ้นมาทำมาศแล้วขึ้นมาแสดงธรรมท่านก็ยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาสาธกมาแนะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่หลวงพ่อก็คงจะเช่นนั้นเหมือนกัน คงจะนําทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาบอกกล่าวให้คณะสัาญญาตยาธิยมได้ฟังได้ศึกษาตอนน่อไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะที่นี่นะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัาาสมมสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสอะโรขยาประมาราพาติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอสังคมของพวกเรา ได้พร้อมใจกันคงจะปรึกษาปารถกันยาวนานพอสมควรจึงมีการเรื่องที่ว่าจะสร้างโรงพยาบาลเกิดขึ้นคงจะไม่ได้คิดแบบปุปปับปรับคงจะกันกลองไตรตรองปรึกษาหารือกันพอสมควรจึงออกแบบเพื่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลถึงห้าชั้นชั้นที่หกเป็นชั้นลอยหลวงพ่อเห็นแปลนแล้วกเ็เป็นโรงพยาบาลระดับใหญ่พอสมควรจุคนหรือจุพี่น้องในเขตอำเภอของเราได้อย่างสะดวกสบายเาพราะนั้นก่อนที่จะมาถึงวันนี้ พวกเราท่านทัน้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่งท่านผ อ, อโรงพยาบาลและคณะกรรมการตลอดถึงพระสงฆ์ให้ความร่วมมือกันตามให้จริงเมื่อเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอยู่ที่ไหนความพร้อมเพียงสามัคคีกันอยู่ณสถานที่ใดไม่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นเรื่อง อาคารหลังนี้ก็ตรงพ่อที่ว่าไม่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้ า, าว่ามีความตั้งใจมีความพร้อมเพียงสมัครี่เพราะว่าบางท่านบางคนก็อยากจะสร้างเหมือนการสร้างโรงพยาบาล เ, เพราะว่าเป็นเครื่องเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนในชนนบทอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะขนคนของเราเข้าไปในเมืองก็ไกลแต่หากว่าโรงพยาบาลของเรามีศักยภาพมีหมอมีพยาบาลมีครบที่จะรักษาเบื้องต้นใครจะอยากจะไปนอกออกจากบ้านของพวกเราก็คงจะรักษากันที่นี่เพราะนั้นหลวงพ่อเห็น อาคารหลังนี้แล้วหลวงพ่อก็เห็นแล้วก็อุ่นใจแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็มั่นใจในความตั้งใจของพวกครูบาที่เป็นน้องๆของหลวงพ่อและก็ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็คงจะช่วยๆกันทํางานชิ้นนี้ให้สําเร็จลุล่วงได้เพราะนั้น งานทุกอย่างถ้าพวกเรามีอิทธิบาทอิทธิบาทคือเครื่องให้สําเร็จคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้คุณเครื่องให้สําเร็จความประสงะค์คง ส, ค ส, งสีอย่างฉันทะคือความพอใจวิริยะคือาความพยายามจิตตะคือความฟักไฟ อ, อยากจะช่วยให้มันเสร็จวิมังสา การกลองไตรตรองหาเหตุและผลที่จะทําให้เรื่องนั้นให้สําเร็จนี่แหละเรียกว่าอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างนี้ก็หลวงพ่อก็คิดว่าพวกเราถึงจะไม่มีเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมแต่คิดว่าเสร็จสําเร็จได้ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความพร้อมเพียงสามคีกันแต่ถึงยังไงขอฝากไว้กับ พวกเราท่านทั้งหลายอยา่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มีความพร้อมเพียงมีความสัมมีมีอะไรปรึกษาปรารบกันถ้าหากว่าพวกเราเไม่เข้าใจกันหรือว่าแตกแยกสัมีกันนั่นแหละความบันไลยอยู่ที่นั่นอขอฝากไว้กับพวกเราทุ ก, กท่านด้วยเพราะงานใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลานานขนาดนี้ ต้องมีความอดทนนะแล้วก็มีความโปร่งใสในการทำงานร่วมกันถ้ามีความโปร่งใสมีความอดทนมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันหลวงพ่อมั่นใจงานอย่างนี้ไม่เหลือวิสัยอย่างที่หลวงพ่อไปสร้างตึกหนีไฟกับตึกหลงตาติดตึกหลงตาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรหลังนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เงินประมาณ80กว่าล้าน เ, าเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่จอดรถถ้าทำงานชิ้นใดก็ตามเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ประโยชน์ เ, เกิดประโยชน์พวกผู้สร้างนี่นก็อบอุ่นอกอุ่นใจอย่างที่หลวงพ่อไปสร้างตึกที่ว่ า, าตึก10ชั้นจอดรถได้ประมาณ700คัน วันวันไหนที่หลงพ่อไปประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเย็นพวก เ, กเลิกงานทางโรงพยาบาลเขาเลิกงานและขึ้นไปขับเอารถลงมาลงพ่อไปยืนยืนดูมองมองดูเหมือนกับพวกมดไหลลออกมาจากรูนี่ันละ่ะออกมาจากรูออกมาจากรูรูที่มันไหลออกมา เห็นโอ้โหเป็นเส้นเป็นสายหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเนีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยกิดประโยชน์จริงๆเออเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะคณะจัดตาญายาโยมลูกหลานหลวงพ่อยังได้ไปตึกชั้นล่างสันสุดหลวงพ่อก็ได้ไปพูดกับทางโรงพยาบาลทางพออเขาอีกว่าพี่น้องประชาชนที่ เอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้ามารักษาในโรงพยาบาลไม่มีที่พักพักตามชายคาของโรงพยาบาลเห็นเห็นแล้วก็เหมือนประเทศอินเดียแล้วเกินทั้งที่ไทยแลนด์ก็ไม่น่าจะยากจนถึงขนาดนั้นน่าจะมีที่พักผ้าอาศัยแต่ทางโรงพยาบาลท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากไม่อยากจะให้ทำแต่ตามไม่จริงก็น่าเห็นใจเหมือนกัน ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าหลวงพ่อเคยพูดเลยนะเพราะว่ า, วาไม่มีเหาหาเหาใส่หัวลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อเอาโ อ, อา้ควรจะเห็นแก่พี่น้องประชาชนความยากจนเพราะฉะนั้นข อ, อทําชั้นล่างเถอะขออคณะกรรมการโรงพยาบาลจากนั้นก็เอา้าจุดแท้แต่หลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ทําชั้นล่างนะคณะสัตยา ญ, ญาณโยมลูกหลานเนาะ ถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลศูนย์อุดอรไม่มีที่พักนะไปพักตึกของหลวงพ่อในชั้นล่างและมีห้องน้ำห้อง อ, อ, อะไรทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่หลวงพ่อไปทำํำแต่ขณะนี้ทางขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะขนาดสร้างไม่เสร็จคนยังเข้าไปนอนเต็มเลยเดี๋ยวนี้ เ, เพราะว่าพี่น้องประชาชนหาที่พักไม่ได้ ต้องเข้าไปพักที่นั่นมีพัดลมมีมุ้งรวดแล้วก็มีที่ดื่มน้ำแล้วก็กำลังจะทำห้องน้ำอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็วันที่ห้าที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อเองก็ได้สั่งรถแอมโบเรน์เขามามอบให้โรงพยาบาลศูนย์อุรรขั้นหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะมา รับรถที่วัดของหลวงพ่อนะวันที่5นัดกันมาแล้วรถเสร็จแล้วคือรถคันนี้หลวงพ่อเขบอกว่ากำลังสูงหน่อยนะเอากำลังสามพัน่ตามปกติเขาจะใช้รถเพียงสองพันหาแต่หลวงพ่อให้ใช้สามพันเพราะอุดรบางทีก็ได้วิ่งตามเสด็จอะไรใช้รถที่มีกำลังน้อยก็ยังไงควรจะเอากาลังสูงหน่อย เพราะว่ารถคันนี้ก็สำหรับเป็นเครื่งองตุ่นกระตุนหัวใจด้วยและออกซิเจนด้วยให้ครบในรถคันนี้นี่หละวันที่ห้าที่จะถึงนี้แหละหลวงพ่อก็จะได้มอบรถแอมบูเรนต์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรคือตึกเนี่ยตึกของหลวงตานี่แหละราคารถคันนี้ก็ประมาณล้านเก้านะ ที่จะมอบให้และการพูดทางนี้ทางนั้นบางคนบางพระครูบาอาจารย์น้องนุง่งทั้งหลายบางองค์เขาก็ว่าหลวงพ่ออินขี้อวดพอทํำคืนมา่าแล้วก็อวดหน้าอวดหลังฮะ้เขาว่านะหลวงพ่อก็ได้ยินแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ได้อวดเลือลูกหลานเนะ้อเพราะว่าสมัยหลวงพ่อเป็นเนนสมัยเป็นพระนุง่งเขาบอกว่าพระ ในประพุทธศาสนาเนี่เป็นกาฝากของสังคมเป็นคาฝาก ข, ของชุมชนไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยเนี่ยแหละถ้าหากว่ามีพักคอมนันได้ขึ้นมาเขาจะจัดการเรื่องของพระนี่แหละ เ, เขาว่าอย่างนั้นในสมัยนั้นหลวงพ่อก็เลยประทับใจในใจอยู่พอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นหลวงตาท่านทำอะไรสร้างโรงพยาบาลท่านก็ประกาศหาทองคำเข้าคังหลวงท่านก็โผด แต่ตอนเช้าถ้าพวกเราให้ฟังหรือสียบางลงตาพูดเพื่ออะไรนี่แหละคือพูดให้พวกคณะสัายาติโยมโลูกหลานได้ฟังว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่สอนแต่ธรรมะอย่างเดียวท่านให้ทั้งรูปธปรรมด้วยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสิ่งนี้ที่จะเกิดประโยชน์เครื่องมือแพทย์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ทั้งธรรมะ ให้ทั้งรูก ป, ประธรรมถ้าหาว่าพวกพระสงฆ์หรือกูบาอาจารย์พระสงฆ์ไม่พูดให้ฟังนี่จะพูดแล้วก็จบพูดแล้วก็จบเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเรื่องของพูดว่าพระสงฆ์เป็นกาวฝากของสังคมไงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดให้กับคณะตัดทาญาติลมยุบโดมได้ดดฟังว่าพระสงฆ์นี่นะอย่างหลวงพ่ออยู่ในป่าอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ได้นิ่งดูดายกับชุมชนสังคมเออแล้วก็เนี่ย ไปเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นปูริตโตที่โรงพยาบาลศรีนครินและก็เมื่อเก๊เนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็ได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินราคาล้านเจ็นะลูกหลานนะเป็นเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงนะเป็นบริษัทโอลิมปัสเนีจ่ายเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไปใช้แล้ ว, วเกิดประโยชน์อย่างมากดีมากครับหลวงพ่อ หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ดีใจอุ่นใจเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อได้มาจากไหนจะถูกปัจจัยก็ได้มาจากพี่น้องประชาชนที่เขาไปกราบไปไหว้ถาวายคนละหคนละสบคนละร้อยคนละพันหลวงพ่อก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้ถ้าเอามาใช้ในวัดเพียงพอแล้วก็หลวงพ่อก็ได้นํเอามาช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ประเทศชาติ นี่แหละพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานท่านหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังนะเออพวกลูกหลานก็คงจะไม่รู้มันกันว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์เนี่ย่ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรอย่างหลวงพ่อเล็กของพวกเราเห็นไหมศาลาโรงเรียนอาคารโรงเรียนกี่หลังเออที่ท่านแนะนำสังส่งแนะนำศรัทธาญาติโยมของท่านนะ ที่มาสร้างให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ได้เข้ามาเ ร, าเรียนศึกษาถ้าท่านไม่แนะนาท่า น, มนไม่บอกกล่าวแล้วสัตธ์ทายญาติโยมเขาจะถวายเขาจะมาสร้างให้ได้อย่างไรนี่ต้องอาศัยพระสงฆ์เหมือนกันบางอย่างเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยู่ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์หลวงพ่อก็พยายามยังไงที่จะเกิดประโยชน์ ตอบพี่น้องประชาชนหลวงพ่อก็นั่นแหละช่วยเหลืออันนี้ก็คือการสงเคราะห์การสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนและสังคมแต่ทั้งด้านนามธรรมหลวงพ่อเองก็พยายามบอกกล่าวเหมือนกันพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานเลยถ้าพวกเราถึงจะเลี้ยงร่างกายของพวกเราถึงจะส่แสวงหาทรัพย์มากมายมหาศาลล่ารวยขนาดไหนก็เถอะ มาเลี้ยงร่างกายนีถึงจะเอาอาหารดีๆทุกอย่างมาทานถึงจะมีผ้านุ่งห่มสวยๆมานุ่งห่มถึงจะมียาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีๆราคาแพงๆมามาทานมาเป็นยารักษาโรคและจะสร้างบ้านหรูหราโออาขนาดไหนที่ให้ร่างกายนี้อยู่ แต่เมื่ออยู่ในบ้านนานๆนนเข้าเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเด้นก็เห็นตาฝ้าฟางเด้นก็เห็นหัหูตึงเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็เห็นหลังค่อมต่อไปใช่ไหมเท้ า, าต่อไปก็ถ้าไม่ถ้าไม่ไปง่ายใจไม่ขาดง่ายถ้าไม่ตายง่ายพูดง่ายๆก็นอนอยู่ที่บ้านของตนเองนี่แหละมีแต่ ขยับขยื่นลุกไม่ได้พรอยไดเพราะเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงขนาดไหนก็เป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคณะทาญาติโยมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้เลี้ยงทั้งร่างกายด้วยให้สา ะ, ะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยการสาะแสวงบุญเข้าสู่จิตใจเนี่ยอย่างวันนี้แหละพวกเราคณะทาญาติโยมได้มาร่วมกัน ฟังไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังพระปริตะมงคลจากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อกำลังกล่าวสัมมบทนิยกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นการชกแสวงหาทรัพย์ มาเพื่อเลี้ยงร่างกายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดถึงจะอาหารดีผ้านุ่งห่มดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีที่พักพาอาศัยหรูหราโอ้อาเอาไปเถอะร่างกายนี้ไม่มีที่จะหนุ่มสาวไปข้างหน้ามีแต่เท่าแกชา่ชราผลที่สดถึงจุดจบในเมื่อถึงจุดจบเราจะไปไหนนี่แหละ เ, เมื่อไปไหนพวกเราท่านทั้งหลาย ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้รู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาที่โคลนต้นโพพุทธคยาวันเดือนหกเพนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านรู้ได้ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วตายไปแล้วไม่สูญ แต่ว่ามีใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ทีเดียวไม่ใช่บางคนทำความชั่วไปตกนรกบางคนไม่ถึงกับตกนรกไปเป็นเปรตแต่บางคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานบางคนก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมมีเพราะนั้นพระพุทธองค์รู้ทั้งหมด เ, เรียว่าสายามผู้รู้แจ้งโลก เ, เพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะฟังพระพุทธเจ้าควรจะศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่แนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายคนสมัยพุทธกาลในครั้งพุทธกาลก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะความสงสัยไม่แพ้พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลาย ทุกคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าหรือว่าบริเวณรอบที่นั่งของหลวงพ่อบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดคิดว่าไม่เห็นใครมาบอกอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันนะคนที่ไม่เชื่ออย่างพวกเราท่านทัน้งหลายมีมากแต่คนที่เชื่อในพระพุทธเจ้าถึงจะยังไงก็ตามถึงเราจะไม่พิสูจน์ไม่ได้แต่เราก็เชื่อท่านผู้รู้ไว้ก่อน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายถึงพวกเราแต่ยังไม่ปฏิบัติไม่ถึงแต่เราก็เชื่อหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบวกคูบาลอาการหลวงปู่เหรียญของพวกเราที่ท่านให้นำสั่งสอนท่านเหล่านี้คงไม่โกหกแน่แน่ท่านต้องบอกกล่าวด้วยความสัตย์ความจริงของท่านท่านรู้อย่างไงท่านเห็นอย่างไรท่านก็คงจะบอกให้กับพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ ตั้งศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเพราะในครั้งพระพุทธการอย่างที่หลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้ฟังมีพราหมณ์ตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงราชสกุลแต่พราหมณ์คนนี้พอเกิดขึ้นมาแล้ว เขามีความรู้พิเศษในตัวของเขาคือมีเซนในตัวของเขาแต่นี้เขารู้ว่าวิญญาณหรือว่าคนเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีวิชาอันหนึ่งคือเขามีคอนคอนตัดพดเล็กๆคอนเล็กๆเคาะทำหลักเคาะกระโหลกศีรษะของคนเขามีคอนขึ้นมาเคาะ ให้เขาว่าเป็นมีความรู้ของเขาอย่างหนึง่งทีนี้เขาก็มักเพาะเพาะกระโหลกสัตว์ก็ตามกระโหลกมนุษย์ก็าตามพอคลอดแล้วเขาจะทํานายได้ว่ากะโหลกนี้ไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์ทีรไรฉานหรือไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นขมอะไรเขาก็ทํานายได้ทีนี้เขาก็ มีวงสาคนาญาติโอ้คนนี้มีความรู้พิเศษเขาก็ใส่ชุดให้เป็นเหมือนกับแต่งตัวเหมือนกับพรามลักษณะอย่างนั้นนะ่ะใส่ชุดสีแดงให้เป็นสีแปลกตาแ ป, กแปลกใจของคนทั้งหลายจากนั้นก็หามแห่ไปลอลไรนีไปถึงหมู่บ้านก็ประกาศเออใครอยากจะรู้ว่าอยาิผีน้อง วงสานาญาติของพวกท่านทั้งหลายไปเกิดณนะสถานที่ใดเอากะโหลกมากะโหลกศีสห์มาพรามณ์ของเราหนิคนของเราหนิอาจารย์ของเราหนิปรมาจารของเราหนิเลิศประเสริฐเคาะได้รู้ได้ทั้งหมดทีนี้เขาก็แห่เอาไปตามหมู่บ้านชนบทต่างๆแล้วเขาก็เคาะคนละหบาทสิบา 20, 10, บาท20บาทจู่แท้แต่ใครจะให้เขา ก็เป็นสินจ้างรางวัลเขาแผลไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีคือพระพุทธเจ้าของเราประทรับอยู่ที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารแต่นี้เขาก็ไปพักไม่ไกลาจากวัดป่าเชตะวันเขาไปยึดอาคารหรือว่าเขาไปเช่าอาคารหลังหนึ่งที่ให้คนเข้าไปเพื่อเขาจะได้เคาะกระโหลกศรีรษะของคนแต่เนี้ คนทั้งหลายเขาก็ถือดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปคารวะพระพุทธเจ้าไปกราบไปตอนเย็นเข้าไปถือดอกไม้ทูบเทียนไปเพื่อฟังธรรมเทศนาตอนเช้าเขาก็ถือนำอาหารไปถวายพระสงฆ์หรือว่าตอนบ่ายเขาก็นำถวายน้ำน้ำปานะไปถวายพระสงฆ์ทีนี้พราหมณ์เหล่านั้น ấy. ก็เห็นคนผ่านเข้าไปพวกสูรเจ้าไปไหนเขาบอกว่าไปกราบพระพุทธเจ้า โอ้ oh, จะไปทำไมไม่มีใครที่จะยิ่งกว่านี่วังคีสะของเราเนี่ยพราหมณ์ของเราเนี่แม่นที่สุดดีที่สุดรู้รอบที่สุดอ่ามาเนี่มาหามาหาพราหมณ์ของเราเนี่ยวังคีสานพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าโอ้ยในจักรวาลเนี่ใครจะสู้พระพุทธเจ้าของเราได้พระพุทธเจ้าเลิศประเสริฐที่สุดไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า แต่นน้คนทั้งสองคนก็ก็ถกเถียงกันไม่ลงกันเขาเพว่าอาจารย์ของของใครของเรานะเหมือนกับยุคสมัยนี้แหละนะใครก็ว่าใครอาจารย์ของใครของเราเก่งกว่า ซ, ซึ่งกันและกันผลไดสู่กันน่ยลูกศิษย์ก็ต่อยตีกันเลยนี่แหละลักษณะอย่างนั้นนะในครั้งพุทธกาลก็มีแต่นนี้พอถกเถียงกันแล้วก็เจ้าถิ่นเขาก็แข็งกว่า ทีพวกพราหมณ์ที่มาจากกรุงราชคือที่เป็นพระวังคีสานะเขาก็เออถ้าถางนั้นไปไปกราบพระพุทธเจ้าซะ ก, ก่อนไปฟังซะ ก, ก่อนจะไปถกเถียงกันกันอะไรกันหแห่กันเข้าไป เ, ออเป็นกลุ่มเพราะพุทธเจ้ารู้ว่าเออวังคีสานะีเออ่เขาจะมาออหาเราเพราะพระพองค์ก็ให้เตรียมกะโหลกศีรษาไว้ห้ากะโหลกนะ แกลกศรีสไวไวมาห้าเตรียมไวห้ากระโหลกจากนั้นวังคีศาก็มามาถึงพระพุธองค์ก็ถามว่าวังคีศพรามท่านมาท่านไปอะไรวังคีศพรามก็บอกว่ากระผมะได้ไปเที่ยวในตามชนบทต่างๆแล้วก็เคาะกระโหลกศรีะของคนะจะรู้ได้ว่าใครไปเกิดณสถานที่ใด เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ได้มาเขี้ยวกะโหลกเคาะกะโหลกเขาก็ให้รางวัลตามที่ตองกะตามที่เขาจะจะให้ก็ไม่ดีเรียกร้องอะไรใครให้มากใครน้อยก็รับตามนั้นพระพระองค์โอ้ดีละ่ะเอาวังคีสับทดลองเคาะเลยสิพระองค์ให้เคาะกะโหลกที่ไปตกนรกนะบิญญาณที่ไปตกนรกนะ พอเอาวินกระโหลกนั่นมาวงางขีศาก่อนนึกในใจใช่กำหนดใจใคล้ายๆกับกําหนดมนต์ตัวเองน่ะนึกในใจเสร็จแล้วก็เคาะกะโหลกนะ่ะปอก๊อป๊อกป๊อกําหนดนิ่งกราบทูลพระพุทธเจ้าวะ่ะกระโหลกนี้ไปนรกกะโหลกนี่ไปนรกพระพุทธเจ้าโอ้ดีละถูกต้องถูกต้องอคล้ายๆกับว่า สาธุสาธุดีละดีละถูกต้องแล้วก็อกกระโหลกที่สองให้ อ, อีกคอเอกป๊อกป๊อกป๊อโอ้กระโหลกนี้ไปเป็นเปลกน ะ, ะ, ะแต่ไม่ถึงกระตกนรกแต่เป็นเปลกเพราะองค์ก็หยอมถูกต้องต่อมาข้ อ, อกระโหลกที่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานต่อมากม่อเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาข้ อ, อกระโหลกไปเกิดเป็นเท ว, วดา ชั้นสวรรค์แต่เนี้พอเส็จแล้วพรองค์ก็ให้กระโหลกเคาะกะโหลกพระอรหรันต์ทีนี้เออมีกะโหลกพระอรหันต์มาด้วยให้วังคีสะเคาะดูพอต่เนี้พระวังคีสะเคาะกะโหลกพระอรหันต์พอเคาะไปแล้วไม่รู้จักทางไปทางมาทีนเงียบเก็บเพราะพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานเออ มันไปได้ไปวกวนเวียนในโลกวัตฏะสงสารเพราะที่ไห น, นเงียบเก็บเคาะสองสามครั้งพระพุทธองค์ก็ถางว่าวาังคีสักกระโหลกนี้เขาไปเกิดที่ไหนไม่รู้พระเจ้าค่ะพระธองค์บอกว่าเธอไม่รู้เรารู้นะวังคีสักโอ้ถ้าพระพุทธองค์รู้บอกมน อ, อันนี้ให้ข้าพระองค์ด้วยครับผม พระองค์บอกว่าบอกไม่ได้ต้องบวชซะก่อนเราจะถ้าหาว่าใครบวชให้ถ้าใครบวชเราจะให้ เ, เวทมนต์ตัวนี้ถ้าหากว่าไม่บวชไม่ให้โอ้ทางนั้นข้าพระองค์ขอบวชอขอบวชในสำนักพระพุทธเจา้าเพราะว่าข้าพระองค์อยากจะได้คาถาบทนี้เพราะเคาะกะโหลกที่นะ่ะไม่รู้ทางไปทางมาพระองค์ก็เอาบวช พอบวชเสร็จแล้วพระพรทธองค์ให้สาทยายเองอาการ32ของร่างกายเกสาผมโลมาผลหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตคอไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพรามคนให้เขาสาทยายทบทวนไปทบทวนมาได้สองสามวัน แต่ในลูกน้องก็มาถามอาจารย์อาจารย์เป็นไงเรียนจบหรือยังทางพรามบางกีสานี่เขาบอกอ้ยอย่างอย่อา ง, าางาย อ, อยเพิ่งมายุ่งไปรอรอก่อน เ, ออเดี๋ยวเรียนจบแล้วจะบอกจะเข้ามาใกล้กาลังกําลังเรียนเรียนอย่าง อ, อ, อย่างจดจ่ออย่างขมักขเม็ดพูดง่ายๆโดยทั่วไพอเรียนไปไม่นา น, น เ, เกิดความเบื่อหน่ายคาย ใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหเออพอเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ตอนนี้พวกลูกน้องก็มาเห็นมาถามว่าอาจารย์เรียนจบแล้วอย่างอาจารย์โอเออไปทูตเจ้าจะไปหากินที่ไหนก็ไปเถอะข้าไม่ไปแล้วข้าจะอยู่ที่นี่แหละเราเรียนจบหมดทุกอย่างลแล้วตอนนี้พระสงฆ์ก็ลเกลยไปกราบคูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระวังคีส่าเนี่ยบวชใหม่เนี่ย อวดอ้างพระอรหันต์ว่าตัวเองจบเจนหมดแล้วพระพุทองค์เรียกพระวังคีสามาถามว่าเป็นไงวังคีสาพระพระวังคีสาบอกว่ากระผมเรียนจบแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์รับรองเลยนี่แหละดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายวังคีสานี่เป็นบุตรของเราเขาเรียนจบแล้วเขาได้เป็นพระอรหันต์แล้วเพราะนั้นเขารู้เจนจบหมดทุกอย่างแล้ว เขาไม่ไปหลงโลกอีกแล้วนี่แหละจากนั้นลูกน้องบริวารของพระวังคีสาก็เลยบวชในสำนักของอาจารย์สำนักของพระพุทธเจา้านี่แหละสรุปแล้วก็คือคนในครั้งกันู้นในทั้งพุทธการเขาก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าจะสงสัยยังไง ก็ให้ปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนอย่างไรในพุทธบริษัทสี่ในคืนที่พระพุทธเจ้าได้จัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นพระพุทธองค์ทำอย่างไงพระพุทธองค์ท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าวันเดือนปกเพนพระวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตัดตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัด จ, จดรง เราตถาคตนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพตามลำพังนายโสติยะได้นําญ้าคาผ่านมาไปเกี่ยวหญ้าคาผ่านมาเขาเห็นตถาคตนั่งอยู่ตามลําพังนายโสติยะได้นําญ้าคาเข้ามามอบให้แปดกำมือในเมื่อเราได้รับหญ้าคาแปดกำมือจากนายโสติยะเราก็หามุมหาทิศทาง ที่เราจะนั่งตรงไหนเราก็ได้เกียย่าคาปูย่าคาทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นเมื่อเราปูสลับหัวหางย่าคาเสร็จเรียบร้อยเป็นอาสนะแล้วเออเป็นอาสนะแล้วเรากดขึ้นไปนั่งบนอาสนะเออขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อเราจิตใจของเราไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตจิตใจจิตอยู่ในปัจจุบันจุูที่ปลายจมูกเท่านั้นรู้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นใจพระน์ยของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัศนะขึ้นเกิดฌานจึงบอกปุเพนิวาสานุจติยานละลืมระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธองค์ตายเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกที่ระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรอันนี้พระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้จึวบอกปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้ เรามาจากไหนมาเกิดที่นี่แล้วชาติก่อนๆเป็นอะไรพระองค์รู้ทั้งหมดเลยนี่แหละอันนี้ว่าตอนหัวค่ำตอนย่ำค่ำตอนหัวค่าที่พระพุทธองค์ได้ตัดรู้ปุเพนิวาสารนจติยาพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็ดูคนอื่นทีนี่อย่างุงพ่อนั่งอยู่นี่นัน่งดูคนอื่นคนนี้มาจากไหนโยมคนนี้มาจากไหน ดวงวิญญาณนี่มาจากไหนเพราะองค์รู้ทั้งหมดเจ้าว่าว่าแต่และดวงวิญญาณมีที่ไปที่มาทั้งหมดเจ้าว่าจุปะปะปะตูปปาตยานการตื่นนิพพารเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าการเป็นอยู่ แ, แตกต่างกันรูปร่างหน้าตาความรู้ความฉลาด ความร่ำรวยความทุกข์จนมันแตกแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราทํากรรมดีไว้ในอดีตมาพบนิชาตินี้กรรมดีให้ผลเราก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่ความร่ํารวยโชคดีทุกอย่างเป็นไปด้วยดีทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราทํากรรมชั่วในอดีตกรรมชั่วให้ผลเราก็ ลำบากเดือดร้อนมีความทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสท่านจึงตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอฝากไว้กับพระนััทายาจโยมทุกท่านนะนี่แหละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่าทํากรรมที่ไม่ไมดีอย่าทํากรรมที่คิดชั่วทําชั่วอย่าทาเสียเลยดีกว่าพ่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละขอให้ขอฝากไว้กับคณะสัตวทายญาติโยมแต่ถึงอย่างไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเออ ถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีความตายไปได้แต่ที่เราสร้างโรงพยาบาลขึ้นมานี่ก็เพื่อประทังเพื่อรักษาที่มันเก็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ถึงไม่ถึงข่าวเขามันก็รักษาไว้ก่อนเขาบอยาเําว่ายาเําว่ายาไว้ก่อนแต่ถ้าว่ามัน ถึงจุดจบจริงๆมันก็ยาไม่อยู่เหมือนกันเพราะมันกระป๋องหรือ ว, ว่าคุของเรากระป๋องของเรามันรูใหญ่เออมันไม่รู้จะยาทางไหนเออมันก็พังทลายไปได้แต่พอที่จะยาได้มันมีรูเล็กๆพอที่จะปิดพอที่จะยาได้เราก็ยาไปนี่แหละคาว่า ย, ยาๆคือร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะรักษาได้เราก็ยาไปก่อนถ้าเรา รักษาไม่ได้ไม่ว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเรา่ะขนาดหมอคณะหมอหรือพยาบาลหรือว่าคณะาศาสตราจารย์ของหมอก็ไม่มีใครที่จะหนีกลีหนีมรณะภัยไปได้ผลใ้สุดถึงจุดจบด้วยกันทุกคนแต่เมื่อถึงจุดจบแล้วตายแล้วไม่สูญให้ฟังเอาไว้คานี้ให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ถ้าพวกเรามีบุญมีกุศล มีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเราตั้งใจเรามีความพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับเร า, เ, าเกิดขึ้นมาแล้วเราสสแสวงหาทรัพย์เมื่อรถคันนี้หายรถคันนี้รถ เ, เราก็ไปซื้อรถคันใหม่นี้ก็เหมือนกันถ้าเราเกิดมาใน พ, พระพุทธศาสนาดนพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สร้าง ให้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจออกจากภพนี้ชาตินี้บุญกุศลในจิตใจนะั่นะนะคือเงิน เ, เหมือนกับเงินเปรียบเทียบเหมือนเงินเราจะไปเกิดในภพภูมิใดเราก็ไปเกิดได้ไปเลือกไปเลือกเกิดได้เพราะเหตุไรเพราะเรามีบุญถ้าเราไม่มีบุญแล้วไม่มีไปเกิดที่ไหนไม่ได้เผลอๆไปกัดไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉาน ช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทางนั้นนะคณะัตหัยญาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคน เ, เบื้องต้นที่ลูกพ่อได้พูดกล่าวเป็นพุทธภาสิทว่าอโรขยาปรมาลาพาความไม่มีโรคความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐความไม่มีโรค เ, เป็น ความสุขที่สูงสุด ข, ของมนุษย์ถ้าว่าคนเราเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนแต่ถึงยังไงทุกคนก็มีจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ถึงยังไงผมขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจตายแล้วไม่สูนคำนี้ฝังเอาไว้อีกออตายแล้วไม่ศูนแต่ทุกคน อ, อมีจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้ความตายเป็นของที่แน่นอนที่สุดเรียกว่าเป็นอนิจเป็นนิจจังส่วนอื่นเป็นอนิจจ์นะอนิจจงแปลว่าของไม่เทีย่ยงแต่ความตายในเป็นนิจจ์เป็นของเทีย่ยงเกิดมาเท่าไรตายเท่านะั้นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่าน ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอ่อเตือนพราหมณ์เกินคนแก่ในยุคครั้งพุทธกาลท่านบอกว่ายมอมท่านจะต้องเดินทางไกลนะท่านจะต้องเดินทางไกลท่านได้เตรียมสเสบียงเดินทางไว้หรือยังสเสบียงเดินทางของท่านนะได้เตรียมไว้หรือยังถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมสเสบียงเดินทาง ถึงคราวเดินทางท่านไม่ไมีสเสบียงไม่มีเงินไม่มีของที่อจะเดินทางนะั่นนะท่านจะลําบากนะท่านจะทุกข์นะในการเดินทางเพราะฉะนั้นให้ท่านเตรียมเอาไว้ท่านจะต้องเดินทางไกลแน่ๆ น, นี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเตือนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลเพราะว่าถ้าพูดแบบตรงๆก็ว่าโยมอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะ โยมจะต้องตายนะแล้วเมื่อตายไปแล้วบุญกุศลที่ที่ได้สร้างไว้นะ่ะมีไหมเป็นที่อุ่นใจเป็นที่ระลึกเออเราได้ทําอะไรไปบ้างได้สวดมนต์ได้นั่งภาวานานได้ปฏิบัติให้ทานรักษาศีลปฏิบัติบิดามารดาเอออันไหนบ้างที่คุณา ง, งามความดีเป็นที่อุ่นใจมีหรื อ, อยังถ้าไม่มีทานะเออ สร้างบุญสร้างกุศลไว้นะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะจะได้เดินทางไกลแน่ๆนะตายแล้วไม่สูญนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลวฉนนั้นขอที่หลวงพ่อได้นํำทำคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธกหรือมาแนะนําให้พี่น้องประชาชนที่ให้ได้ยินได้ฟังก็ข อ, ขอให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญา ใช้ความนึกคิดกันกรองไตรตรองเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจอยู่น่าจะถานที่ใดมีแต่ความสุขถึงพวกเราจะจากโลกไปพวกเราได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลเราก็หลับตาจนิเออถึงข่าวของข้าแล้วแอข้าถึงยังไง ยารักษาก็คงไม่หายก็คงจะไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเพราะพวกเราบทเพียงแค่นี้ะชาตินี้เอาเถอะเกิดพบหน้าชาติหน้ายังค่อยบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปนี่นะนีะ่ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบุญกุศลมันเป็นที่พึ่งขั้นสุดท้ายเรียกว่าปุญญานิประโลกัสมิง ปฏิทถาโหรติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าวัะ น, นั้นโลกนี้เราก็พึ่งบุญเออถ้าเกิดมาพบนาชาติหน้าเราก็พึ่งบุญบุญอีกถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเราจะพึ่งอะไรนี่แหละไอ้ค อ, อ, อยพวกเราท่านทั้งหลายไอ้สั่งสมบุญกุศลหน้คณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคนการกล่าวสัมโมด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 ดังปราถนาทุกทุกท่านเทินสาธุ